สวัสดีวันนี้ท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ดิฉัน เอพระอุปัชฌาย์ท่านได้ทําประโยชน์ให้แก่ ท่านเป็นพระฝรั่งที่ ในการและผู้มีพระคุณแทนค่ะเรามาฟังเนื้อหาสาระดีๆมา เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้วตอนที่ยังไม่ได้บวชเราเชื่อว่าปัญญานั้นเกิดจากประสบการณ์จึงเดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนที่ประเทศอังกฤษประเหเร่ร่อนหาประสบการณ์ชีวิตทางยุโรปและเอเชียยิ่งลำบากยิ่งชอบเพราะรู้สึกว่าความลำเค็ญช่วย แต่การเดินทางไปอินเดียผิดหวังนิดหน่อยไม่ได้ท้าทายอย่างที่คาดหวังเดินทางขากลับจึงตัดสินใจลองๆอยากรู้ จนภัยเยอะเหมือนกันและผ่านเหตุการณ์ที่ไม่มี กังวลหมกมุ่นแต่ในเรื่องอาหารการกินวันนี้เราจะมีอะไรกินไหมหนอแต่ละวันท้องจะอิ่มจะว่างก็แล้วแต่น้ําใจของ กลางคืนพักข้างถนนในซอยเงียบกลัวว่าตำรวจ เราได้สวนทางกับผู้หญิงคนหนึ่งได้สวนทางกับผู้หญิงคนหนึ่งเราเราเรา 10 นาทีก็ 4 สันนิษฐาน แต่ยิ้มก็ไม่ยิ้มไม่พอเปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าแจะอะไรเลยยิ้มก็ไม่ยิ้มๆเค้าพาเข้าห้องหลายๆอย่างเรารู้ อาหารที่อร่อยที่สุดในโลกคืออาหารที่ทานในขณะสั่งอะไรเพราะฟังไม่เข้าว่าลูกดูจะอายุไล่เลี่ยกับเราสักพักใหญ่และเสื้อเชิ้ตชุด สั่งเขาไม่ยิ้มไม่แย้มน้ำมีแต่สั่งอย่างเดียวชุดเราก็สนิฐานว่าเค้าถ้าสมมุติว่าลูกเราเดินทางไปต่างประเทศแล้วตกทุกได้ยากอย่างนี้ อยู่ในสภาพน่าสมเพชอย่างนี้มันจะเป็น <Spanish> แล้วก็เดินเข้าไปในกระแสชาวเมือง ตัวสูงโสงพำพามเหมือนไม้เสียบผีจากป่าช้า เวลาผ่านมา 20 กว่าปีแล้วปีแล้วจึงๆก็ยังมีคนดีและอาจมีมากกว่าที่เราคิดมีคนดีและๆชาติทั้ง ทำให้ตั้งใจว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ต้องช่วย พักปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์สายฮินดูองค์หนึ่งท่าน ความคิดก็ปลอดโปร่งโล่งดีแล้ววันหนึ่งก็นั่งนึกแปลกใจตัวเอง 18 ปีให้ วันละ 3 มื้อบ้าง 4 มื้อบ้างและยังเป็นห่วงว่าจะ ในขณะนั้นเหมือนเขื่อนพังตัวอย่างความดีของพ่อ คงไม่สะดวกไปหมดปวดเมื่อยแต่ท่านก็ยอมเพราะเชื่อว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมีความหมาย ต่อมาเลยสํานึกได้ว่าที่มีโอกาส โยมบาโยมแม่ก็ไม่ขัดข้องเพราะต้องการให้ลูกดำเนินชีวิตในทางที่พอใจและมีความสุขปีที่แล้วนี่เองที่โยมแม่สารภาพว่าวันที่ ไม่พล 20 ปีเพราะกลัวเราจะไม่สบายใจกลัวเราตอนอยู่กับพ่อแม่ไม่สบายใจพอปวดแล้ว ที่เมืองรู้สึกเสียดายเลยต้องตั้งใจแผ่เมตตาแก่ท่านทุกวันในภาษา ชาวตะวันตกชอบเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบการก้าวคือพื้นฐาน พระต้องเชื่อว่าองค์ทรงตัดข้อ 1 ว่าต้องเชื่อว่า ต้องเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับ คือกรรมฉะนั้นองค์ 999 คนแต่ยังบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ เพียงเพื่อเป็นอุบายช่วยเสริมความมั่นฉะนั้นปฏิของพระพุทธศาสนาคือเรา เป็นสิ่งที่เราควรเช่นลูกที่ถูกทอดทิ้งที่โดยการทุกตีทอดและดูจะมีมากขึ้นทุกวัน ในความสัมพันธ์พิเศษระหว่างพ่อแม่กับ ฝ่ายลูกควรตอบแทนบุญคุณที่อาจมองไม่เห็นเท่า ให้กำหนดชื่อสิงคาลกะมีข้อโดยท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่าน คำสอนในพระสูตรนี้เป็นโครงสร้างของสังคมพุทธที่เน้นความรับผิดคือ แล้วพระองค์ทรงตรัสว่าลูกคนไหนเชิญคุณพ่อคุณ ตั้งท่านไว้ในตำแหน่งมีเกียรติยศและอำนาจทำถึงขนาดนี้ก็ยังยากที่จะตอบแทน พ่อแม่ผู้ตระหนี่ให้กลายเป็นผู้ยินดีใน พระเข้าใจว่านี้ไม่เชื่อลองวาดภาพตัวเองป้อนอาหารแก่พ่อแม่ข้อคิดหลายคุณแม่บางคนอาจไม่กล้าขึ้นเลยเข้า ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสอย่างนี้น่าโอ้โหทําถึงขนาดนั้นยังไม่ เราไม่ใช่ประเด็นอ้างความเหน็ดเหนื่อยกับเจ้านี่ไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นเขาเพราะมีพ่อ พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่านอกเหนือจาก 6 แล้วชาวพุทธเราต้องพยายามส่งเสริมให้ท่านทํา พ่อแม่ควรเป็นกัลยาณมิตรต่อลูกลูกควรเป็นกัลยาณมิตร พระพุทธองค์ทรงสอนว่าลูกที่ดีควรเอาใจใส่ วิธีการปฏิบัติต่อพ่อแม่ในเช่นลูกมีกี่คนยังเด็กหรือโตแล้วอยู่ที่บ้านหรือออกเรือนแล้วคนยังเด็กหรือโตแล้วอยู่ที่หรือออกๆ ก็หรืออย่างน้อยที่สุดโทรศัพท์ไปคุยไปเล่าให้ท่านฟังเรื่องราวในชีวิตของลูกเพราะความที่รู้ว่าลูกคิดถึงและเป็นห่วงๆอย่างน้อย ท่านปอยเราเสียค่ายาค่าเช่นเวลาการนั่งเช่นการนวดการเช็ด พระสูตรที่อ้างถึงข้างต้นนั้นทําให้เข้าใจ การให้สิ่งของมันเสียได้เสื่อมได้บางครั้งกลายเป็นดาบสองคมก็มีสิ่งของมันเสียได้เสื่อมได้บางครั้ง ท่านจึงเรียกคุณธรรมต่างๆว่าเป็นอริยทรัพย์คือเป็นทรัพย์อันประเสริฐเพราะเป็นซื่อให้ได้สิ่งอันประเสริฐคือความเป็นอิสระจากความ ต้องเข้าใจว่าการช่วยลดความทน 1 การเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ในการไม่ต้อง 2 การ 3 มนุษย์และ 4 การปล่อย ปัญหาอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าทำอย่างไรศีลจาคะปัญญาอย่างที่พระพุทธองค์ทรงแนะนํา ทำไมไม้แก่ของท่านต้องดัดง่ายฉะนั้นขอให้ทํา สิ่งที่สําคัญคือเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีโบราณบอกว่า ความไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคของเราท่านจึง 3 คือจาคะคงจะง่าย อย่างไรก็ตามไรก็ตามลูกกตัญญูรู้รู้เช่นให้ ผู้มิใช่ญาตินอกจากว่าโยมฉะนั้นพระเรี่ยรายกําลังทําสิ่งเพราะเป็นการส่ง การเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ คุณแม่บางคนแม่บางทั้งสองพอเห็นเสื้อผ้าแบบไมเอี่ยมก็อุทาน <ม. S 1> คงแล้วแต่นิสัยของพ่อแม่ถ้าท่านเคยเข้า และเขาจะพยายามหลบหลีกหรือปัดเป่าถ้าเป็นอย่าง ส่วนพ่อแม่ที่สนใจพ่อแม่ที่นั่งสมาธิภาวนาในที่สงบบ้างใจชวนการดูหมอหาคนทรงวัดก็ดีให้ท่านๆถ้าพูดได้ เรารู้ท่านไม่รู้รู้ท่านไม่รู้เราฉลาดท่านโง่ชวนให้ท่านออกกําลังกายเป็นประจำการรํามวยจีนเหมาะดีเพราะบ้างโดยไม่ถือว่าเป็นเรื่อง เกิดจากการกล้าเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตไม่ใช่ว่าไม่ยอมคิดถึงทําไม เพราะพ่อแม่ที่สั่งและขอร้องในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระพ่อแม่ที่เช่นกินเหล้าหรือเล่นการพนันเป็นต้น บุญคุณของพระพุทธองค์ยิ่งมากฉะนั้นในเมื่อการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ขัดกับ มีเวลาว่างตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ทําวัดสวดมนต์กับท่าน และผู้ใดทําจิตสงบได้แล้วมักมีอายุยืนด้วยเนื่องจากว่าทําจิตสงบได้แล้วมักมีอายุยืน วิธีการง่ายๆอย่างนึงคือการไม่ยอมพูด ทั้ง 2 ฝ่ายมักจะแทบทามเพื่อให้เราเข้าข้างเป็นพันธมิตรลูกหรือพูดอะไรที่ทําให้เหตุ อดทนในการฟังเรื่องทุกข์ใจ และโอกาสที่เราจะได้ชักนําท่านในจุกจิกหรือ เป็นอย่างนั้นแล้วเราต้องรักษาความสงบตัวของจิตไว้ทั้งๆที่อยากรําคาญการ ผ้ามาจากไหนมาจากไหนผู้ตัดเสื้อหรือผู้ออกแบบที่ผู้ผลิตจากใยชิ้นนึงต้อง เราได้อาศัยความฉลาดและความเพียรของ สัตว์ก็มีบุญคุณต่อเราเหมือนกันเช่นไส้เดือนไม่กินดินมนุษย์ก็ทําการเกษตรไม่ได้ทําจริงๆ สัตว์ทุกจําพวกต้องออกมาโห่ร้องกันจนเสียงแหบ แม้ชาวพุทธเราซึ่งน่าจะฉลาดกว่านี้ก็ ให้ช่วยกันปรับความเห็นแก่ตัวของมนุษย์รู้ในความลึกซึ้งของบุญคุณฉะนั้น ภなผู้ที่ธาบร ม. รคลหับร ม. ทนแล้วให้เราปฏิบัตอเบื้ย มน. ปศโตฆร ม. ง. คน, ล. backs ะ เถื่. ทได้สิบอยอกอร์ ม. อ. ร ม. Bern. พตอาบททน fort ร. ม. ร ม. อ. ล. ท อ. และคิดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเป็นเพื่อนที่ดีศีลจาคะและ ตลอดกาล